<c oughs> ให้ใคยายั่งตั้งใจละเว้นค่วมตัวต่างๆเด้ละเว้นค่วมตัวต่างๆประพฤติค่วมดีต่างๆมันมีหลายเยดอกแนวสี่ให้เลือกนะั่นแนวตัวแต่ล้ายหลายแนวดีกต่ล้ายขันผู้ราะมีบุญผู้บรสลาดผู้บริย่ยิยามผู้กี่าน เลือกได้ก็เลือกได้แน่ยนี่ยตัวเนี่ยบอดีเนี่ยผู้ที่เขาตั้งอกตั้งใจตั้งใจทีสันบาลมี่เตมต่างต้มดีเติมเหมือนมันแนี่ยสีสันดีเนี่ยมันมีหลายที่กันเนี่ยในโลกมันมีอยู่นผู้ที่เขาตลาดดีหนั่ น, นมันมียั่งดีหรือตัวเขาก็เก็บเอาดีได้ไดเลยของสกปรกเขาก็เอาเป็นประโยชน์ เอาขวอมดีของสองของสกป ร, รกก็ได้ไอ้คือว่าของต่างๆในโลกกิงต่างๆในโลกเนี่มันมีอยู่มีเหตเข้าเลือกอยู่มันเท่ากับตลาดในแหมเอาเลือกเอาเพชรเอาแชนแนลดีๆเนะี่ยนั่นแหละกันเพชรดีแล้วเนะี่ยเขาเลือกว่าสางกรลัดีสั่งกำลังดีแล้วมันบอกไปใส่หรอกมันก็นจิได้ผลดีนั่นแหะมันบนนี้ไปใส่ ขันกลุ้มครัวนั่นน่อยน้อยเพื่อนกระบอห้ไปใ่ไงมันคนเห็ตชิมขันมันมีแล้วมีฝ้าวออกปาดออกหุกออกคูออกเด็กยังสั่นมันยังสีสะอาดมันยังสิบริสุทธิ์มันยังสีดีเท่าเกิดมากอยู่กระยักนีนี่แหละนี่เห็ดยปง่ายเรื่องพิเชลนาโมเมนตเฮ็ดยังกับเฮ็ดไปโลดเด็มันต้องคึ้ ต, <as my S 2> <เป>ต้องซ่อมพิเชลนาทดูดูดอย่างดูแนี้ยคนว่า <as> <as> ทำอะไรด้วยใจยว่าจานะี่มีใจกํากับนั่เลยหันใจกํากับนั่มเลยมันเพชรยังมันก็บกพลาดเข็ดยังมันก็ได้ผลดีแต่นี้มันรักษาศีลย่างๆก็คือกันอยู่แล้วรักษาศีลเนี่ยมาอยู่น้าเขาอยู่ปานาติป้าตายไปแล้วมีนอยูเขาอยู่บ่ตั้งใจยุ่งมากแบบต๊ะ พ่นมากเฮ็ดพดถือแจกระดาก็ะปล่อยกระแ e n งเช่นกันในสั้นมันโบเป็นแล้วโบเป็นสินแหลวมันก็บ่ได้ดีแล้วกันว่าเจียวดีน้าสินเน่ะมันต้องใจเห้ต้องตั้งใจรักษาตั้งใจกันไช้เมคเฮ็ดหาใจห้ให้ใหยหเจี๊ยบห้ตสั่งก็บ่ได้ละบ่จมละในใจก็บ่คืดไปละ่ะคืดขึให้ในสั้นเนี่ยไม่ยังใดเอาใจกํากับน้ำเฮ็ยังช่วยแนนในโลกมันมีดีหลายอย่างอยู่เล่ะ เท่าข้มเบิงตังใจเบืงนแม่ว่าคนคนตีที่ไร่ีซุดคนทีเฮ็ดบดีตีุดนี่ันเท่าตั้งใจเบิงดีๆเราเห็นอยู่เดมันนี่ข้มดีอยู่หันเน่ะคือยังบักพิกนี่นะบักพิกนี่มันเฮ็ดเนี่ยมันเอาไปเฮ็ดถึงจางถึงแนวเมื่อแกยู่เด้หรอนี่สแนในพิจารณาเรื่องมันฟั้งคือๆเด้่ยเอาไปคึดน้ำแม่คุดน้ำซุแนวคุดซอซุนวหน่ละ ทหารเดือ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่มดี่่่่่่คือ่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่จ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่อน่ี่่่ง ย้อนคว่ำดีคงเฮานี่ละ่ะเฮาได้ตั้งอกตั้งใจท่ามขุนความดีต่างๆได้ท่าบุญกุศลต่างๆเรานี่แ่ะคือยังมาท่าบุญอย่างนี่แหละคุติมาท่าบุญทั้งท่านมีชิดใจเอือเพื่อถอยเหลือผู้อื่นนี่สิ้านังเกียรเข้าบดิคือตาแนวโมนีมันสำคัญเลยแต่ว่าอันนี้แหะผ้าใครเข้าไปเกิดในหม่มองมันดีมีมูกับมูดีผูคข้นไปยุ่เลาะทางเลาะเอวเข้าไปนี่จะข้ น, ะนดีๆข้นเพื่อปกป้องนี มันเดี๋ยวไปยื้อกันอยู่ในบ้านในเมืองใช้กับอุดมสมบูรณ์กับหฮมเกีเยร น, นี่นี่ที่จรงามเกิดในประเทศไทยนีแล้วคนเกิดพร้อมห้ออาหนึ่ง็มีีตัวเกิด อ, อ, อยู่ในเอากรีดิ่งใส่จอยสจอยจ อ, อยกวกอันกีกับปรอมนี่นะคนเหมือนกันนะเนี่ยมันจะจะเกิดทันไ่บ่นั่นหละบุญมัน ได้คำนันททน่นบุญเพสคำนั่นอันเท่านี่เกิดมารุ่นเดียวกันพ่อมกันเวลาแต่วาาา่าเมื่อเกิดในบ้านในเมืองเข้าเมืองไข่เนี่ยปุดมสมบูรณ์พรมเย็ยนปูพ้นที่อยู่กับเาท่ะปกคล้องเป็นพุทธิมิตรคุณธรรมจังพระเจ้าอยู่หัวพระราชิมมเท่านี่เนี่ยเทาเกิดไม่มีอยู่คงเพลินนี่นี่แหล ะ, ะแสดงชื่อว่าพ่อแมีบุญเวลาเกิดบมเมนต์นเขาดี ใช้าตะกียบใช้กระดาทุกเมือนี้ยจันเด้เขาจัดอยู่ได้เขาจัดเขาต้อมมันอย่นมีบุญได้เห็นมืเกิดยู่งน้ำซุ่มบุญเด้เนตุ่มซุ ม, มีบาสซุ่มบริเทพบุญไปเหยเขาไปก่องไปวงังไไ น, วนึงปุ๊บไกลๆเห็นไหมนะพี่เจรณ า, าได้เจรมือเจรมอือี่อยันนาเบงวาอันใดนี่ดีอันใดสีบอดีพายานต้อมอยู่เอยได้จะปิดป้อยใจไปเรื่อยไปอื่นสีเฮ็ดยังหนึ่งต้อมโลด ก็มาห้องเซตอเมมีม่จดีบนนอกคิดดีๆซะค่อม่คม่อยเห็นอย่างก็ะไรเลยที่จะเลื่อนดอกมันจะเลื่อนเองดอกเราต้องมีใครมาย่องมาย่อมันจะเลื่อนเองมันมีมมม น, นี่เจ้าข้าถ้ำบุญอุชิตบันประชอนก่อขอให้อุด ตั้งใจล้ำลึกว่าเราได้ท้ำบุญอันนี้ได้ถวายพระ ส, สารานพระเจ้าพระสงฆ์ได้ถวายสิ่งของเครื่องใช้ให้พระเจ้าพระสงค์ดํำรงอัตภาพอยู่ไดโดยสะดวกให้เคนได้นี้โอกาสได้ประพฤติปฏิบัติถ้มกันโลงพระศาสนาไปได้เป็นบุญมหาศาลคือการกาาพบปานได้ต้อยพระพุทธเจ้ามี่บุญหลายเรียบุญอันนี้หลเกิดขึ้นในใจคือความเบิกบานความหงอมความเยน็นความเบิกบาน แกใสเนี่ยน้อมไปหาภูที่เทาปัานาสิวทิดเนี่น้อมไปมันทรงจังสั่นและมันจังฮอดทรงจริงทรงของมันบาหอดหรอกทรงติ๊กเข่าไปติกหนึ่งยังสิ่งแต่เบหอดมันต้องทรงบุญนี่ยเกิดจากใจเท่านั่นหละให้ใจเท่มเกิดบุญสกคร้ น, น, นแล้วก็น้อมบุญไม่ใหญ่คืดเ ห, นหน็นหนาคุณนั่นคดเห็นหนาคุณ น, นี่โอ้ให้คนมความซุกว้มโฮมเย็นเบิกบานใจคือเท่ามีเด้อเฮยยังสเยงนั่นแหละวิธีทรงเน่